ตอนภาษาคนภาษาธรรมวันที่หนึ่งพฤศจิกายน 2,558 ก, ก, การ้าบนมัสการพระกุณเจ้าสา ม, มเณรคุณไม่ชีกันลรละตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเนาะเป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์ตอนนี้ก็เป็นช่วงฤดูหลังออกพรรษา เข้าพรรษาออกพรรษาก็เป็นอุบายวิธีนะของพุทธศาสนานทุกคนก็รู้ว่าเข้าพรรษาทำไมออกพรรษาทำไมมันเป็นอุบายนในการประพฤติปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนซึ่งอุบายที่มีประโยชน์วิธีอุบายวิธีที่มีประโยชน์ประเพณีวัฒนธรรมเราก็ดำรงรักษาไว้นะแต่ต้องรู้ว่าทำเพราะอะไร ไม่ใช่ไปติดแค่รูปแบบนะทำแล้วก็ไม่รู้ว่าทำทำไมมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะก็เข้าพรรษานี้คือบางคนเนี่ยทำไมเราบวชนะหลายปีก่อนมีชาวต่างชาติมาจากอเมริกาเขาก็มาคุยกับพระครูแล้วก็ไปดูวัดป่าน า, น า, นาชาติอะไรแล้วก็บอกว่าเขาแสวงหาความอิสระ เขาไม่ชอบวัดที่เป็นเป็นบวชพระเพราะว่ามีกฎเกณฑ์ต่างๆทำให้ไม่อิสระเขาบอกไม่ดีพราครัวอย่าพูดคำว่าไม่ดีไม่ได้ไม่ชอบก็เป็นจริตของเราแต่เราต้องรู้ว่าเขาทำอย่างนั้นเพราะอะไรบางคนเราควบคุมตัวเองไม่ได้นะ้วก็ต้องการรูปแบบศีลวินัยมาคุมเราเพื่อป้องกันภัยนะ แล้วคนที่พูดตอนนี้ผ่านมาตั้งสิบกว่าปีแล้วเนี่ยเขาก็ยังดุ้มดุ้ม ด, มดอนดอนผุโผโผใจนึงก็อยากเดินปฏิบัติธรรมใจนึงก็สู้กิเลสไม่ได้เห็นไหมเนี่ยเราก็เห็นไงนะเพราะว่าเขามีอารมณ์แบบนั้นเขาไม่เชื่อเรื่องเวียนว่ายตายเกิดแต่ว่าเขาเออเขาเชื่อเรื่องการกระทำอยู่เขาพยายามจะทาดีนะก็หลายปีพ่อครูไม่เคยบังคับหรือสั่งให้ใครต้องเชื่อ ศนะาสนาพุทธไม่ได้สอนให้เราต้องเชื่อแบบหลับหูหลับตาต้องศรัทธาแบบไม่รู้เรื่องศาสนาพุทธสอนให้เราเนี่ยเกิดปัญญาด้วยตัวเราเองแต่บังเอิญช่วงที่เราเดินทางเนี่ยความแข็งแกร่งอินทรีย์พะละของจิตเราแต่ละดวงจิตมันไม่เหมือนกันถ้าบางคนคุมตัวเองได้เนี่ยเราก็ไม่ต้องบวชนะแต่มันน้อยมากน้อยมากที่จะคุมตัวเองได้แล้วก็ดารง สภาวะอยู่ในมักในทางนะคนที่ทำได้ก็เป็นคนส่วนน้อยนะก็ไม่ใช่สู่สมเเ็จว่าต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้แต่อย่าไปบอกว่าวิถีบวชมันไม่ดีนะถ้าไม่ดีผู้เจ้าก็ไม่สร้างขึ้นมาแต่เราต้องรู้ว่าบวชทำไมไม่เพบบวชแค่รูปแบบชั้นบวชแล้วทุกวันนี้เราคุยกันสนทนากับบททุกวันนี้สังคมไทยเราก็ติดรูปแบบว่าถ้าจะเป็นคนดีเนี่ยต้องเข้า่ายปฏิบัติธรรมนะ เข้าค่ายปุ๊บนุ่งห่มขาวแล้วก็ไปถ่ายรูปนั่งขึงขังแบบสำรวมมีมารยาทนั่นแหละคือสัญลักษณ์ของคนดีนะมันประทับตาว่าคนดีต้องทำแบบนั้นนะแต่หลังจากกลับมาจากเข้าค่ายแล้วเนี่ยกวีนกว่าเก่านะมันเราไม่รุ่น ไ, ไม่เราไม่เข้าใจในัยยะว่าที่เราต้องไปทำตรงนั้นเพื่ออะไรนะเข้าไปปฏิบัติธรรมเขาให้ปิดวาจา15้าวันทุกคนปิดหมด สบายๆไม่ต้องได้ยินเสียงใครเลยตัวเองก็ไม่ต้องพูดนะก็เป็นอุบายฝึกให้เราเนี่ยอยู่กับตัวเองแต่เราไม่เข้าใจอุบายก็คิดว่าเป็นหลงว่ามันเป็นความดีนะไม่ได้สร้างกรรมอะไรแค่นั้นเองแล้วก็ไม่ไม่มีการฝึกอบรมจิตใจตัวเองไปจิตแค่รูปแบบพอกลับบ้านปุ๊บต้องพูดแก้แค้นเพราะไม่ได้พูดมา15้วันนะ ลูกหลานในบ้านเขาก็ไม่ศรัทธาปฏิบัติธรรมอะไรเป็นแบบนี้นะนะถ้าพุทธศาสนิกชนเราจะว่าผู้ใหญ่เราเนี่ยไม่สำรวมระวังกันนะคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเขาก็ไปติดวัตถุนิยมติดแบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เขาผิดเขาถูกนะถ้าถ้าแบบนั้นเขาติดนี่เขาผิดนี่ก็ต้องอย่าไปโทษเด็กต้องโทษผู้ใหญ่สร้างสังคมเร็วๆให้เขาอยู่เห็น ไ, ไหมเรานั่นแหละสร้างขึ้นมาหมดแล้วให้เขาไปอยู่ตรงนั้น ให้เขาเก่งเขาก็เก่งแล้วไงทีนี้เขาเขาก็เก่งกับพ่อกับแม่นะตอนนี้มันเป็นอย่างนั้นหมดหละจับต้นชนไปลายไม่ถูกไม่รู้จะแก้ตรงไหนนะพ่อแม่บางทีก็ อ, อยากเป็นคนดีนะก็ไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติแล้วกลับมาไม่ประพฤตินะก็ยังบ่นเหมือนเก่านะยังโมโหล้ายเหมือนเก่าแล้วก็ให้เด็กๆมันจะศรัทธาได้อย่างไรนะ เราต้องรู้ว่าพ่อครูก็พูดเรื่องอ น, นิสงฆ์ของการบวชบ่อยๆนะออพอพูดบ่อยๆเขาก็ถามแล้วพ่อครูทําไมไม่บวชละ่นะแย้งมาอีกนะบวชไม่ยากนะไม่กี่นาทีก็เสร็จแล้วแล้วก็พูดเสียงดังด้วยเห็นไหมอาศัยเนื้อนาบุญพุทธเจ้านะมารูปแบบแบบนั้นก็พูดเสียงดังความเชื่อมั่นก็มีทําไมไม่ทํา จิตพระครูไม่มีเสแส้งแล้วก็ไม่มีอามิ t h ทำไมต้องไปอาศัยรูปแบบนั้นต่อม า, มามามาช่วยตัวเองก็เอามันความจริงแบบนี้แหละแต่ไม่ใช่บวชไม่ดีอา น, นิสงค์ของการบวชเนี่ยมหาศาลอย่างน้อยๆทุกคนบวชจิตนะในนี้ทุกคนบวชจิตแต่คนอื่นเขามองไม่เห็นข้างในจิตคุณเป็นยังไงแต่ถ้าเราบวชข้างนอกด้วยเนี่ยอย่างน้อยๆพิสูจน์แล้วว่าเรากล้าลดละเลิกความสวยงามของเรา โนะดยเฉพาะท่านเมชีทุกๆคนนะเอออย่างน้นนอยๆเราปงผมนะลดละเลิกความสวยงามปงคิ้วเห็นไหมเสื้อผ้าสวยๆก็ไม่มีเขาให้ใส่ชุดขาวเห็นมแต่ชีวิตเราก็แบบว่าพลาดโอกาสในการเรื่องสวยๆงามๆแล้วก็ปงอาหารเย็นด้วยอันนี้มันแสดงออกถึงกายภาพข้างนอกนะ เราต้องมีอะไรพิเศษกับคนที่เขาไม่บวชนะถ้าวนเราเป็นนักบวชแล้วทำตัวเหมือนคนอื่นทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างนะเอาเป็นว่าในรูปรักษ์การดำรงอยู่การใช้ชีวิตก็ต้องมีอะไรที่พิเศษที่นี้เขาวัดกันอะไรล่ะเขาวัดกันที่ศีลเห็นไหมเขาเอาตัวเลขที่ศีลน่ะผู้คลองเรือนทั่วไปก็ศีลหนะ้าพวกเราศีลแปดโดยนั้นจริงๆเนาะใ น, ใ น, ในพวกความรู้สึกพวกคู่นะ่ะ พ่อครูดูแม่ชีมันก็ไม่ต่างอะไรกับภิกษุณีมันเป็นแค่สมมุติเฉยๆต่างกันที่เสื้อผ้านะเออพระพูดถเรื่องนี้เมื่อกี้มันก็แวบขึ้นไปแก้วขึ้นรถแก้วก็รายงานพระครูพระครูไอภาพยนตร์พี PK ที่มนุษย์ต่างดาวนะเขาบอกตอนนี้เนี่ยหมายถึงว่าเขาทำลายสถิติรายได้สูงสุดในอเมริกานะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นของ อินเดียนะ mm hmm. เขาก็เอาเรื่องเนี่ยนักบวชนะ mm hmm. เขาให้คนแต่งตัวเป็นแต่งตัวแบบซิกฮินดูพามแล้วก็ไรศาสนาคิดอะไรเนี่ยแต่งตัว mm hmm. เห็นไหมมันเป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์ mm hmm. เขาให้คนซิกนี่ mm hmm. เขาบอก mm hmm. ถอดหมวกออกมาสิถอดปุ๊บ mm hmm. กลายเป็นฮินดู คนฮินดูก็บอกดึงนวดออกมาสิกลายเป็นอิสลามเหม็นมมันเป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์ของความเชื่อลัทธิศาสนาแล้วก็าการแต่งตัวอะไรเนี่ยพุทธเราก็โอเคโกนหัวป่งผมนะโกนคิว้วมันเป็นสั ญ, ญลักษณ์เตือนใจเป็นอุบายวิธีไม่ใช่เรื่องผิด คือเตือนสติเราว่าเรากำลังทำหน้าที่อะไรอยู่นะแต่ทำไปทำมาจะเป็นหลงติดมันนะว่าเราพิเศษกว่าคนอื่นนะบางทีเราศีลมากกว่าเขาเขาต้องกราบไหว้เรานะคนถูกลับไหว้จนจนลืมตัวนะไหว้คนไม่เป็นนะยังพกะคุณเจ้าภิกษุในเถรวาดเราเนี่ยก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งนะเพื่อให้คน ผุุ้ชนเนี่ยทั่วไปให้เขากราบไหว้การกราบไหว้ก็เป็นอุบายวิธีลดลดละเลิกตัวตนตัวเองนอบน้อมถ่อมตนนะทีนี้ผู้รับบาย้ถ้าไม่ระวังตัวนะอัตราตัวตวนเยอะเลยแล้วก็ไปรับมีแต่สิ่งที่เขาถวายให้แล้วก็ทำไปทำมาก็สร้างอัตราขึ้นมานะจริงๆแล้วมีประโยชน์แต่ถ้าไม่เข้าใจนี่เป็นโทษหมด อย่างท่วงนี้เราพัดเราดูภาพยนต์พระพุทธเจ้านะ เ, ออเริ่มต้นเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะพระองค์มีทั้งหมดเลยนะมีแต่คนเคารพกราบไหวนะ้โดยตำแหน่งใช่ปึ๊บพับเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพใหม่นะมากลายเป็นเป็นนักบวชขอทานใช่กลายเป็น ดำรงชีพได้ด้วยขอทานในยะก็คือว่าหนึ่งลดอัตราตัวตนเรานะที่เรามีแต่คนกราบไหว้นับถือเราเราจะมีอัตรากับอาชีพใหม่ว่าดำรงชีวิตโดยขอเข้ากินขอทานทานในที่นี้เห็นหั้มเป็นหนึ่งในทานศีลภาวนานะหนึ่ง เราดลงชีวิตด้วยการไปขอทานมันพินพสูจน์แล้วว่าอาชีพนี้ต่ำต้อยที่สุดนะเราทำลายอัตราตัวตนเราและในยะที่สองก็คือว่าเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ทำทานเราเป็นผู้ให้โอกาสเดินไปถึงหน้าบ้านเขาเนี่ยให้เขาผู้คองเดือนฉนมักไม่มีเวลาไงเขาต้องทำมาหากินนะ มันเป็นอุบายวิธีนะหลายปีก่อนก็หลายปีก็หลายปีจริงๆนะเกือบยี่สิบปีนะเพราะูไปที่เมืองการไปช่วยบวชสามเณรหรือดูร์สาปีซ้อนที่นน่นน้องดอนก็ไปบวชทุกปีนะพรา ก, กูก็ไปบรรยายอะไรตรงนั้นก็มีพระภิกษุบวชใหม่นะท่านไปบิณฑบาตแล้วก็ชาวเขา ไปว่าท่านว่าพระไทยเนี่ยมีแต่มาขอพระฝรั่งมีแต่มาให้มาแจกของแจกผ้าห่มแจกเสื้อผ้าท่านก็คิดว่าเออจริงนะชาวบ้านก็ทุกข์ยากอยู่แล้วเรายังไปขอเขาอีกไปเพิ่มความลําบากให้เขาเาท่านก็มาคุยกับพวกคูบรูว่าพระอาจารย์พระฝรั่งเขาก็ไปให้เขาไปให้วัตถุทานกับชาวบ้านพระไทยก็ไปให้โอกาส ให้ชาวบ้านได้ทาทานนะเราไปให้ท ร, รมาทานนะนะน ะ, นะถ้าแต่ถ้าพระฝรั่งเขาไปให้เพื่อเขามีอามิตรจะใช้อุบายหลอกล่อให้นับถือาศาสนาเขานั่นเขาไม่ได้อะไรเลยมันมีอามิตรนะทำเพื่อวัตถุประสงค์แต่เราไปเดินไปเนี่ยนะเขามีความรู้สึกว่าเราเป็นขอทานอะไรเนี่ยเราก็ไม่ได้โกรธอะไรเขา เรายอมรับในความเป็นขอทานเราเราต่าต้อยเราไม่มีอัตตานะแล้วเราก็เปิดโอกาสให้เขาเนี่ยใช้เวลาสั้นๆเขาก็ได้ทาทานเนี่ยคำว่าขอทานนะไม่ใช่ของเงินขอทองนะขอทานเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะแต่ถ้าขอทรัพย์สินเงินทองนั้นอ่ะอันนั้นไม่ใช่ขอทาน ถ้าทานเป็นเรื่องไม่ดีทำไมพรพุทธเจ้าบอกให้เราต้องทำทานทานศีลภาวนาะ น, นี่คืออุบายของพุทธเจ้านะเราต้องทำตัวไม่แย่ยงเหมือนคนทั่วไปก็เราเป็นนักบวชเราไม่เราบวชจิตไม่พอเราก็บวชร่างกายด้วย้นะการบวชลองร่างกายเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของพุทธศาสนาเป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์ แต่สั ญ, ญลักษณ์นี้เนี่ยเป็นอุบายวิธีเตือนสติว่าเราทำตัวเหมือนอบุคคลทั่วไปไม่ได้เราต้องทำตัวเป็นแบบอย่างก็เตือนเรานะเตือนเตือนเราอย่าไปเชื่อฟังกิเลสเรานะก็ด6บปีพ่อ ก, กูก็พบอะไรมากมายเนาะนะเวลาบวชก็อนุโมทน า, า ว, วันนี้ก็มีศึกนะก็อนุโมทนา ทำได้แค่นี้ก็ก็แค่นี้เราออกไปทำหน้าที่ใหม่ชีวิตคือละครเราแสดงบทบาทไหนก็ต้องซื่อสัตย์ตั้งมั่นกับบทบาทนั้นนะพอเราออกจากบทบาทนี้เราก็ตั้งมั่นแสดงบทบาทนั้นให้มันสมบทบาทเพียงแต่ว่าอยู่ข้างนอกแสดงบทบาทอย่างนั้นน่ะมันไม่ง่ายที่จะลงสภาวะแต่ถ้าเราไม่มีทางเลือก ก็ต้องแสดงให้มันสมบทบาทนะก็พ่อครูก็ให้สตินะคนที่จะต้องไปแสดงบทบาทอื่นว่าทุกแห่งธรรมะมันเป็นอากาลิโกการปฏิบัติธรรมไม่จํากัดการเวลาหรือสถานที่ถ้าวันไหนมันจะหลุดถ้าจิตมันจะหลุดไม่ใช่หลุดพ้นนะมันจะหลุดเข้าไปออกเข้าไปข้างในอะนะมันไม่ใช่พ้นนะนะก็ให้ คิดถึงภาพยนตร์พระพุทธเจ้าถ้าไม่ถึงเวลาในภาพยนตร์นี้ไม่เกิดขึ้นเพราะครูก็บอกตอนนี้ต้องเรียวกว่า น, น้องเมยได้แล้วละ่ะวันนี้หลังจากศึกแล้วมากราบครูก็มา ก, า ก, ก, มากอดพระครูตอนนี้กอดพระครูได้โอเคก็เหมือนลูกหลา น, นผู้ชายคนหนึ่งเป็นด็อกเตอร์ ทุ่มเทเป็นพันล้านสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้มานะเพราะเขาศรัทธาเขาทําด้วยศรัทธาเขาไม่ได้ทําด้วยว่าจะลงทุนเพื่อค้ากาไรศรัทนธะาเขาก็เอาจริงเพราะทําจากศรัทธาผู้กากับก็ทําด้วยศรัทธาไม่จริงไม่ได้เรื่องนี้ทําเล่นไม่ได้ เพราะว่ามีพยานหลักฐานผู้ที่ผู้สื่อสารที่คนทั่วโลกกําลังจ้องทําภาคนิดหนึ่งเนี่ยเรียบร้อยผู้แสดงทุกตัวแสดงเนี่ยเริ่มจากต้องทําด้วยศรัทธาอินมากแม้กระทั่งแสดงเป็นตัวร้ายก็ช่างตัวเองชอบไม่ชอบก็ช่างต้องแสดงให้สมบทบาทให้ภาพยนต์เรื่องนี้สมบูรณ์ผู้ภาคเป็นไทยนี่ก็ภาคอย่างศรัทธา อินมากนะคนที่เ็าภาคพระนางมังคลาแม่เทวทัต <c oughs> เขาภาคไปด้วยเขาอยากตบหน้าตัวเองตลอดเวลาแต่เขาก็ภาคอย่างศรัทธาคนที่ภาคมหาประชาบดีนั่นน่ะภาคไปด้วยร้องไห้ไปด้วยทุกคนอินมากเพราะคำว่าพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งคนแต่งเพลงนี่นะ เขาบอกไม่กี่นาทีเขาแต่งเสร็จเลยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์และคนที่ร้องเพลงนี้ด้วยนะเป็นเด็กซึ่งไม่โนเนยไม่ใช่นักร้องด้วยเป็นนักศึกษาอยู่เพลงเดียวนี่ดังไปทั่วประเทศเห็นไหมตัวแสดงหลักที่แสดงพระพุทธเจ้านั่นเขาเป็นผู้แสดงแสดงละครหลายเรื่องไม่ไม่มีชื่อเลยอันนี้ถ้าไม่เรียกว่า เป็นเพราะพระพุทธเจ้านี่เรียกอย่างอื่นไม่ได้นะพราคูเห็นล้ ว, วังพระ อ, องค์ไม่ได้ทิ้งเราช่วงนี้เป็นช่วงที่วิกฤตของโลกทุกเรื่องทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองศาสนาทุกศาสนาสู้กระแสกิเกลสไม่ได้นะสิ่งนี้เป็นเครื่องช่วยอย่างหนึ่งนะ เรื่องนี้เรื่องเดียวออกมาทีเดียวปุ๊ไปทั่วโลกเลยทุกคนก็รู้ที่ผ่านมาเรารู้เราเรียนรู้แม้กระทั่งจบประเรียนเก้าอะไรทุกคนเรียนาศาสนาเยอะแยะเลยนะแต่ก็รู้ก็เหมือนไม่รู้รู้แต่ว่าทําตัวไม่ได้พวกครูก็สอบประลมหลายท่านทุกคนดูเนี่ยเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบคนแก่ก็ชอบนะ เราอ่านพระไตรปิฎกอ่านหนังสือมันทื่อๆรู้แต่เนื้อหาแปลถูกแปลผิดบ้างแต่ภาพยนต์เรื่องนี้เราเห็นอารมณ์ทั้งหมดนะถ้านั่งดูเย็นๆแล้วก็ดูหลายๆรอบนะเราจะเข้าใจลึกซึ้งไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆนะเพราะคือว่ามันถึงเวลา20ปีที่พ่อครูถอยมาจากอเมริกามาอยู่ที่นี่พ่อคูก็ น, นิ่งไม่ไปไหน เอาเป็นว่าไม่ไปไหนก็อยู่เฉยๆเงียบๆนะพอถึงเวลาจิตบอกถึงเวลาออกไปข้างนอกบ้างเราก็ถามตัวเองว่าออกไปทําไมเราพูดตั้งยี่สบมาปีมาแล้วว่าสัตว์โลกย่องไปไปตามกรรมช่วยไม่ได้เขาก็บอกว่าทำเพราะทำธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการให้ทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่เรา ออกก็ออกเ้าไปทำหน้าที่ห้าปีนะหปีเขาบอกหยุดก่อนแล้วก็หยุดไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรแต่ตอนที่บอกว่าออกก็ออกนั้นนะ่ะเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่อง2ี่สิปีมันเราอยู่นิ่งๆทำไมไมันมีความรู้สึกอย่างนี้เป็นเวทนาหรือเปล่านะียบอกไม่มีเวทนาแล้วอเงี้ยนะนะเราก็เป น, นั่งดูข้างในนะ่ะ เขาร้องขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่พระองค์ไม่ได้ทิ้งศาสนาแต่พระองค์ไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสามโลกธาตุนี้เท่านั้นเองตอนนี้พระองค์ก็ลังทําหน้าที่อยู่นะมันต้องมีเครื่องมือเหล่านี้นี่มากระตุ้นอย่างน้อยๆเราดูแลไม่ได้ทั้งหมดหรอกสัตว์โลกต้องไปไปตามกรรมที่เราร่วมการสร้างสังกกรรมมาเนี่ยพลังแรงกรรมนั้นอะไรก็ต้านไม่อยู่ อย่างน้อยสิ่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมารักษาแก่นรักษาเชื้อนะคำสอนที่ผู้เจ้าเนี่ยอย่าให้มันสูญพันธ์นเท่านั้นเองนะก็โลกนี้ก็พัฒนาจนในเมื่อกี้แก้วก็รายงานดกว่าเออเร็วๆนี้เขาประกาศนะใครอยากไปอยู่ยาวอังคารนี่ไปสมัครได้เลยนะแต่เขาพาไปได้แต่เขาพากลับมาไปได้เขาจะเป็นหน่วยกล้าตายไปบุกเบิกไปเลยนะ อาจจะเป็นพวกกลุ่มเดียวที่รอดตายนะถ้าโลกมันเป็นอะไรไปแต่ก็ต้องเสี่ยงหน่อยนะเขาให้ไปแล้วก็เขาไม่ให้กลับมีคนสมัครเยอะอยู่นะพะนักวิชาการเขาก็รู้อยู่แล้วว่าโลกใบนี้มันก็ไม่ไ ม, ไม่แน่นอนแล้วเหรเห็นไแต่ไปที่นู่นก็ยังไม่แน่นอนมีการค่าคณีทั้งนั้นแะว่าใครต้องการเป็นผู้บุกเบิกไปที่นู่นะนะเขาเรียก ว, ว่า one w t i c ก็คือไปรอบเดียวรอบกลับไม่มีนะแต่ก็มีคนไปสมัครอยู่เอาเป็นว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ความเปลี่ยนแปลงของอารมณ์มนุษย์อารมณ์ก็พัฒนาไปตามเทคโนโลยีมันเปลี่ยนฉับไวมากหลับตาปุ๊บลืมตาปุ๊บของใหม่เกิดขึ้นทันที อารมณ์มันก็เล่าร้อนมันก็เร็วไปด้วยนะก็เมื่อกี้พ่อครูเอ่ยถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งที่เขาเอาคนอินเดียแสดงแต่ไม่รู้ใครอยู่เบื้องหลังก็เปรู้สึกอเมริกาเป็นคนสร้างนะรู้สึกจะเป็นบริษัทอะไรพ่อครูเห็นไอ้แก้วไม่รู้แหละแต่ว่าคนอินเดียเป็นคนแสดงเขาตั้งชื่อมนุษย์ต่างดาวคือว่า PK กูจะพูดเรื่องนี้ให้พวกเรารู้ว่ากิเลสคืออะไรกิเลสคือความเคยชินนะเราเคยชินจนเราแยกแยะไม่ออกเราคิดว่านี่แหละคือมนุษย์นี่แหละมนุษย์ต้องเป็นแบบนี้เข้าใจแต่ทีนี้เขาสร้างเรื่องนี้เนี่ยเขาเขาเอามนุษย์ต่างดาวมาเป็นตัวอย่างนะเพราะเขาซื่อมากเพราะกกหกไม่เป็นจริงๆแล้วเขาไม่ได้สื่อด้วยภาษาเขาสื่อได้คลื่นจิต แต่บังเอิญเขาลงมาแล้วเนี่ยเขาต้องการรู้ว่ามนุษย์พูดอะไรแล้วก็เขาต้องการสื่อเขาเนี่ยเขาก็ใส่โปรแกรมภาษาให้เขาเนี่ยเหมือนคอมพิวเตอร์นะสวิกระพ า, าเนเขาก็พูดภาษาอินเดียเป็นนะเขาไม่ใส่เสื้อผ้าเขาเปลื่อยได้ไหมพอลงมาจากจานบินปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินอยู่นั่นเขาดีโมดเขาก็แขวนอยู่บนคอเขา ทีนี้เจอคนอินเดียคนหนึ่งเนี่ยเห็นรีโมทเขาสวยมากคิดว่าเพชรพลอยนะก็กระชากปุ๊บในวิ่งหนีขึ้นรถไฟไปนะถ้าไม่มีรีโมทนี้เนี่ยเขากลับบ้านเขาไม่ได้เขาสั่งจานบินมารับเขาไม่ได้ไงเขาก็ตามหารีโมทเขานะเขาก็ไปเจออินเดียคนหนึ่งใจบุญหน่อยเนี่ยก็บอกว่าก็จับให้เขาใส่เสื้อผ้านะเออแล้วบอกเขาว่า พระเจ้าช่วยได้ช่วยให้เธอหารีโมดได้เขาก็ตามหาพระเจ้าไปฝึกอิสลามฮินดูซิกอะไรทุกศาสนาให้ทำอะไรเขาทาหมดเพราะเขาต้องการเข้าถึงพระเจ้าแล้วบอกให้พระเจ้าหาลีโมดให้เขาสุดท้ายเขาก็ไม่เจอหาไม่เจอนะทีนี้คนถามเขาว่าทำไมมุนธุตางดาวไม่ใส่เสื้อผ้า เขาก็ชี้นั่นอันนี้เรียกว่าอะไรเขาบอกนกคนนั้นก็บอกว่านกเขาบอกถ้าเอานกมาใส่เสื้อผ้านี่มันแปลกไหมเห็นไหมการไม่ใส่เสื้อผ้าเขาเป็นปกติแต่พวกเราเนี่ยถ้าไม่ใส่เสื้อผ้าแล้วผิดปกติเห็นไหมเราคิดว่าเสื้อเสื้อผ้าเป็นปกติเราคุ้นเคยแล้วไงเอาว่าเป็นมนุษย์ใส่เสื้อผ้าเอาล่ะไม่ชี้ทาไมใส่สีนี้ เป็นปกติของเมชีทําไมคนนั้นก็ไปใส่นั้นทําไมฮินดูซิกแต่งเสื้อผ้าไม่เหมือนกันเห็นไหมเห็นไหมอันนี้เป็นแค่สมมุติบัญญตัติแล้วก็เราไปสร้างสมมติที่ขึ้นมาแล้วก็อยู่กับสมมตินี้กลายเป็นความจริงของเราแล้วกลายเป็นว่านี่แหละคือกิเลสนะถ้าอะไรที่แปลกๆไม่ใช่อย่างที่เราเคยชินเนี่ยเราเราก็หาว่ามนุษย์ต่างดาวเห็นไหมก็เขานมนุษย์ต่างดาวไงเขาก็เป็นมนุษย์ต่างดาวเพราะครูถูกต่อว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวมาตั้ง ตั้งแต่มาใหม่ๆนะเพื่อนสนิทกันนั่นแหละเพราะเราทำตัวไม่เหมือนเขาเรากลายเป็นมนุษย์ต่างดาวในสายตาเขาเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้ถึงบอกว่าทำลายเลกคอร์ดรายได้สูงสุดที่อเมริกาเพราะว่าเขามาในยะภาพยนตร์เรื่องนี้คือว่าเขาจะมาลบล้างไอความเชื่อที่หลงงมงายเข้าใจไหม โดยที่เอามนุษย์ต่างดาวเขายกตัวอย่างมนุษย์ดาดาเขาซื้อเข า, าโกหกไม่เป็นเห็นไหมพอเขาไปเห็นมนุษย์ปุ๊บเนี่ยเขาบอกภาษามนุษย์นี่สับสนที่สุดเลยพูดคํานึงแปลได้ต้องหกหกไนยะเหมือนเราคนไทยคุยกันนะเพื่อนสนิทเราพูดภาษาไทยเราต้องแปลเป็นไทยแปลเป็นแปลไทยเป็นไทยอยีกนะเอ๊ะเขาพูดอย่างนี้หมายความว่าอย่างไง สมมตต่างดาก็ไม่มีเรามีเลขมีเหลี่ยมมีอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมเขางงนะแล้วมนุษย์มนุษย์เราเองเนี่ก็งงมนุษย์ต่างอีเอาทำไมเป็นแบบนี้เห็นไหมภาพยนตร์เรื่องนี้ดีมากนะพวกกูธรรมดาจะมาฉายมันสองสองจังวงแต่ว่าพวกเราดูไม่ทันหรอกผู้เฒ่าผู้แก่ดูไม่ทันเพราะว่าเขาพูดภาษาอินเดียแต่ไตเต้นภาษาไทยมันไปเร็วมากไงนะแต่ไนายะมันแสดงทำมนุษย์ต่างดาว พูดภาษาธรรมตลอดธรรมะคือสัจธรรมสัธรรมคือความจรงิงเขาพูดภาษาธรรมธรรมดาแต่ตอนนี้ถ้าพูดว่าเอาละหลายๆศาสนาก็พูดภาษาศาสนาพุทธเราก็มีภาษามีภาษาศาสนาพุทธเราไม่ได้แสดงธรรมนะเราแสดงภาษาศาสนาเราแสดงภาษาวิชาการมันไม่ใช่ภาษาธรรม ภาษาธรรมก็ออกมาตรงๆเลยพูดปุกเข้าใจเลยไม่ต้องแปลบาลีเป็นไทยไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยอีกภาษาวิชาการต้องมาตีความด้วยนะแต่พีเคเนี่ยเขาพูดภาษาธรรมนะในเรื่องนี้เนี่ยแก่นสำคัญก็คือว่าอย่างนี้เอาเป็นว่าพอคนที่ขโมยไอ้รีโมทเขาไปขายให้เจ้าลัทธิหนึ่งสี่มื่นลูปีบังเอิญว่า ไอ้ดีหมดเขาเหมือนเหมือนเหมือนไฟที่มันเหมือนเพชรเหมือนพลอยอ่ะเจ้าลอตินี้ก็ไปตั้งไว้แล้วก็บอกว่านี่แหละพระเจ้าส่งเครื่องมือนี้มาให้เขาถ้าจะสื่อพระเจ้าปุ๊บนี่เหมือนโทรศัพท์นะก็โทรไปหาพระเจ้าได้บังเอิญพีเคมันเห็นบอกของฉันนะก็ถูกตำ ร, รวจจับไป <c oughs> นะพอถูกตํารวจจับไปผู้หญิงคนหนึ่งซึ่ง เป็นผู้สื่อข่าวทางโทรทัศน์เน่ยเขาได้ยินข่าวเข า, <c oughs> ขาเขาไปสัมภาษณ์ตํารวจก็ไล่ออกพอแล้วพอแล้วเขาก็เอาเงินให้พีเคแล้วก็เอาเบอร์โทรศัพท์ก็ให้พีเคถ้ามีอะไรติดต่อเขานะเพราะกูก็ฟังไม่ทันนะมันมันฟังไม่รูนนะ้เรื่องอยู่แล้วภาษาอินเดียแต่ว่าดูไตเติ้ลไม่ทันนะเขาพูดอะไรเมื่อดูผู้หญิงคนนี้ออกไปนะ่ยก็เอ๊ะทําไมเขาพูดอย่างนี้กลับมาอีกตํารวจอินเดียคนนั้นก็บอกว่า ล่าลำคานเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเอาเงินมาห้าร้อยแล้วเอามันไปเลยก็ปล่อยเลยเพราะเขาไม่ได้ผิดอะไรมากมายใช่ไหมทีนี้ปล่อยออกไปเขาก็พานี่ยไปกินข้าวแล้วก็เขายืนคุยกันอยู่ก็มีคนอินเดียคนหนึ่งวิ่งมาขอเงินพีเคบอกว่าแม่เขาป่วยหนักเลยอยู่โรงพยาบาลแล้วเขาไม่มีเงินพอที่จะรักษา เขามาจับมือพีเคนะเพราะพีเคเนี่ยมุตังดาเขาจับปุ๊บเข า, ารู้วาละจิตเลยว่าที่พูดนั้นโกหกแต่เขาก็ให้เงินไปห0 0รอูปีแล้วก็พอจะไปเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอาไปอีกร้อยหนึ่งเขารู้ว่ามันไม่พอนะทีนี้ผู้ผู้สื่อข่าวบอกว่าโดนหลอกแล้วแถวนี้ไม่มีโรงพยาบาลเลยก็บอกเขารู้เขาเอาไปจ่ายค่าอาหารเขาเอาแม่เขาไปอยู่ลงลงลงอาหาร ร้านอาหารห้าดาวอยู่แถวนี้เห็นไหมผู้หญิงคนนี้เขาก็งงอันนี้สงสัยบ้าแล้วนะเขาวิ่งตามไปดูนะก็เห็นคนนั้นนะี่ยป้อนข้าวแม่เขาอยู่ในร้านอาหารห้าดาวแล้วพอจ่ายเงินเสร็จก็เอาเงินที่เหลือนั่นให้แม่เขาเป็นคนให้ทิปให้แม่เขาทําบุญพี่เคเขารู้รู้ว่าเขากรตันอยู่ก็ให้เงินเข้าไปเข้าใจไหม น้องจะดาวเงินมาจากไหนไม่หรอกเขาเก็บอะไรหมดเสื้อผ้ามาจากไหนนะเขาไปเห็นว่าเขาเขาเรียกว่าลดเต้นได้เต้นได้เต้นได้คือคนมันทอดลักอยู่นะเขาถอดเสื้อผ้ามันก็เอาเสื้อผ้าเขามาใส่เขาไม่มีเจตนาที่บ่นของใครนะเขาก็เห็นเงินใครเขาก็เอามาใช้เขาไม่รู้หรอกมันคืออะไรเขารู้แต่ว่าไปซื้ออะไรมันต้องแลกด้วยไอ้นี่ไงผู้หญิงคนนี้เราถามเขาว่า เขาบอกคนอื่นไหมว่าเขาเป็นวุฒิสังดาก็บอกไม่บอกถ้าบอกแล้วก็คงถูกไปผ่าตัดนะมันจะไปวิจัยว่ามันคือใครกันแน่นะเขาไม่บอกแล้วผู้หญิงบอกทําไมเชื่อเขาล่ะบอกเขามาตั้งแต่มาเมืองมันมุดโลกเนี่ยมีแต่คนขอเงินเขาไม่มีใครให้เขาเลยผู้หญิงคนนี้เป็นคนแรกที่ให้เงินเขาคุณเป็นคนดีนะก็มีหลายอย่างทีนี้ ผู้หญิงคนนี้เขาก็ออกไปออกโทรทัศน์มันกระทบถุงทุกลัทธิาศาสนาที่ที่ไปสอนหลงงมงายเขาไม่ได้ว่ า, าศาสนาไหนนะนะอย่างบ้านเรามีไหมต้นกล้วยออกหนอแปลกๆหน่อยก็จุดทูบใช่ไหมเข้าใจไหมพุทธเราไม่ได้สอนแบบนั้นนะตอนนี้เป็นอย่างนั้นหมดเลยไงที่นี่อไอ้ภาพประยชน์นี่ทําไมยังอเมริกามันดังนะเพราะว่าตอนนี้ทุกลัทธิาศาสนาไปปรุงแต่งมันหมด จริงๆแล้วาศาสนาทุกาศาสนาเนี่ยมันต้องมีมีประเพณีวัฒนธรรมนะมีพิธีกรรมบางศาสนาต้นไม้ต้องมีเปลือกกับพีต้องมีแก่นด้วยเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เอาแก่นอย่างเดียวแต่ตอนนี้ไอ้เปลือกกับพีนีเนี่ยระบายสีเปไปหมดเลยเพราะกูเคยพูดหลายปีก่อนบอกว่าอันนี้พูดพูดในเชิง เ, เปรียบเทียบ แต่มันไม่ใช่ความจริงนะถ้าผู้เจ้ากลับชาติมาเกิดนี่พระองค์จะจำศาสนาพราะองค์ไม่ได้เพราะมันละบายสีเปิดไปหมดแล้วนะเห็นมพิธีน่นพิธีนี่เป็นอุบายวิธีเพื่อจะให้เขาทำบุญหาเงินแบบนี้นะใช่ไหมล่ะทีนี้พอพีเคออกโทรทัศน์มันกระเทือนไปหมดเลยเจ้ารัฐทิต่างๆประชุมกันบอกว่าถ้าไม่ทาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ นะก็บอกพ่อผู้หญิงคนนี้เนี่ยให้บอกลูกสาวหยุดซะไอโครงการนี้พ่อก็ามาบอกลูกหยุดทาเรื่องไร้สาระนะทใหพ้พระเจ้าเดือดร้อนนะลูกเขาบอกว่าขอให้พีเคนี่พิสูจน์ให้พ่อเห็นสักครั้งได้ไหมถ้าพิสูจน์แล้วมันไร้สาระลูกจะหยุดนะพ่อเขาก็ยอมเขารักลูกเขาไง ไปขึ้นรถกันไปขับรถไปนะ <S <S 1> <S 1> พเพราะผมกูจะมาถ้าเราฉายเราดูเรารู้ในทันน่มันมันจะเป็นภาพยนตร์ที่สนุกแล้วก็ให้ธรรมะตลอดแต่ว่าเขาเราคงอ่านไม่ทันนะก็ก็เล่าให้ฟังพอขับไปถึงมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งพีเคบอกหยุดหยุดตรงนี้ใช่ละก็ลงจากรถนะมหาวิทยาลัยนักศึกษานี่เป็นวัยรุ่นนะเห็นไหมทันสมัยนะแต่เขาบอกว่าเด็กๆเหล่านี้เนี่ย นักศึกษาเหล่านี้เนี่ยเขากลัวมากลึกๆเขากลัวมากไม่เคยมั่นใจในตัวเองเลยนะเขาก็จะพิสูจน์ให้ดูเขาก็เดินไปมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่หน้ามหาวิทยาลัยนะเขาไปเห็นเออมีก้อนหินตรงนึงเนี่ยก้อนขนาดนี้แหละมันลม้มลงไปอยู่เขาก็ยืนเอาไปเอาก้อนหินนั้นตั้งขึ้นมาเขาก็เอาชานหมากสีดแดงๆเนี่ยไปป้ายให้มันแดงๆเขาก็เอาเงินเหรียญนี่ไปโรยไว้ แล้วก็เอาเงินรูปีเขานี่ไปวางไว้สี่ห้าใบแล้วก็บอกเดี๋ยวเงินน่มันจะออกลูกเขาก็ถอยไปยืนอยู่ข้างๆแล้วก็โทรทัศน์ก็แอบถ่ายนักศึกษาคนนี้เดินมาปุ๊บเนี่ยเอาเงินวางไ ว, ไว้ไหว้ปุ๊บเอาสีแดงแตะหัวไม่ถึงสิบนาทีนี่เป็นเรียงแถวยาวเลยนะเห็น <c oughs> เขาก็ชีพ้พอยเขาดูเห็นไหม ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะแต่เขาชี้ไปดูนะเห็นไหมอันนั้นรถเข็นมันขายเครื่องดื่มเห็นไหมมันลงทุนมากนะทั้งแก๊สทั้งอะไรไม่รู้น้ำตาลอะไรเต็มไปหมดแล้วก็ต้องโฆษณามาซื้อหน่อยอ น, นี่อร่อยนะอะไรนี่กว่าจะขายแก้วหนึ่งเห็นไหมมันยากไหมอันนี้ไม่ลงทุนเลยพับหนึ่ ง, ห น, ง, ห, นงหนึ่งเงินเต็มเลยมันพิสูจน์ว่าคนเรามีความกลัวพึ่งศักดิ์สิทธิ์พึ่งพระเจ้า อ น, นิกลายไปก้อนหินนันกลายเป็นพระเจ้าถทายทำเอาตัวนี้ไปออกอากาศนี่กระทบไปหมดเลยเจ้ารัติก็เลยท้าพีเคนีออกโทรทัศน์ไปลีเบตกันเขาจะลดไปรีเบต น, น, นะเขาก็ใช้จิตวิทยาเจ้ารัตินี่ต้องพูดเก่งนั้ง น, นั้นแหละโอ้ยบรรยายน้ําท่วมทุ่งไล้พูดให้คนงงให้มันงงอะ่ะงงงงงง ง, ง, ง, งจนว่าโอ้ยเขาศักดิ์สิทธิ์มาก นะพี่เคมันก็นั่งเฉยๆก็นั่งเฉยๆทีนี้เจ้ารัติเขาเล่นเกมใครว่าเขาเขารู้ครอบครัวนี้ผู้หญิงคนนี้ที่เป็นผู้สื่อข่าวเนี่ยตอนนั้นอายุเขาสี่สิบวันเจ้ารัติคนนี้เป็นคนตั้งชื่อให้เขาด้วยพ่อเขาเนี่ยเป็นสาวกนั่นเลยเขารู้ครอบครัวนี้หมดเขาบอกต้องเนี่ถ่ายไปให้ผู้หญิงคนนี้ถ่ายไปเลยซูมไป เขาบอกว่าเนี่ยเขาถามผู้หญิงคนนี้จำได้ไหมวันที่เธอจะแต่งงานเนี่ยเขาไปในโบทถ์เน่ย เ, เจ้าบ่าวไม่มาคือเจ้าบ่าวเป็นอิสลามเห็นไหมลทัทธินี้เขาต่อต้านเขาก็เลยวางแผนไม่ให้แต่งงานเขาก็เขียนจดหมายปลอมจดหมายจากแฟนนะเป็นผู้ชายเนี่ยนะให้เด็กคนหนึ่งให้ผู้หญิงคนนี้เหมือนว่าผู้ชายเนี่ยเขามาไม่ได้เหมือนเขาไม่แต่งแล้วเห็นไม แล้วเขาก็อีกจดหมายฉบับหนึ่งไปบอกผู้ชายว่าผู้หญิงคนนี้ไม่แต่งแล้วผู้หญิงคนนี้นี่ช้ำใจมาตลอดเวลานะไม่เข้าใจว่าทำไมแฟนไม่มาพอจะออกเขาบอกอย่าพูดเรื่องส่วนตัวฉันไม่ต้องออกอากาศเห็นไมเขาเจ็บช้ำน้ำใจอยู่แล้วเนี่ยจ้ารถที่มันใช้อุบายอย่างนั้นทีนี้พีเคเขาเห็นไงเขาบอกผู้หญิงคนนั้นนิ่งนิ่มีสติฟังฉันก่อนทาเพื่อฉันครั้งเดียวได้ไหมเพราะฉันต้องการรีโมทไง คือมันริเบตกันว่าถ้าถ้าพีเคชนะมันจะให้รีโหลดนี้คืนถ้าไม่ชนะต้องกราบเท้าเขาต้องเชื่อฝังพระเจ้าพอถึงพีเคพูดเนี่ยเขาก็พูดว่าเขาเชื่อว่ามีพระเจ้านะเพราะมีคนบอกเขาว่าพระเจ้าจะช่วยเขาหารีโมลดได้ <c oughs> แล้ววันนี้เขาเจอรีโมลดเขาแล้วเนาะเห็นไหมเขาเชื่อเขาก็ตามหาพระเจ้าตามหาทุกลัทธินิกายเลยเขายังไม่เจอไงเขาเชื่อ แต่เขาสงสัยอย่างหนึ่งว่าเมื่อพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วทำไมกลุ่มคนหนึ่งเนี่ยมาตั้งกลุ่มพิทักษพระเจ้าใครลบหลู่พระเจ้าปุ๊บมันฆ่าหมดเลยคื อ, ค, อคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพื่อนที่เป็นที่ดูแลเขาที่ให้เสื้อผ้าเขาใส่ดูแลเขาเนี่ย หลังจากพ K ออกโทรทัศน์มันดังไปหมดเขาก็โทรไปหาพีเคบอกว่าเขาจับได้แล้วเขารู้แล้วว่าคนไหนที่ขโมยรีโมทเขาเห็นไหมเขาก็โทรมาหาพีเคว่าเขาจะจับมันมาตามเขานั่งรถไฟมานะลงรถไฟแล้วพีเคก็นั่งรออยู่กําลังดีใจจะวิ่งไปหาพีเครถไฟระเบิดตุม้มเลยตายหมดกลุ่มพิทักษ์พระเจ้าเนี่ยฆ่าหมดพีเคก็เลยไม่เจอไม่ได้ พยานว่าจะพาไปหานะเขาก็เลยถามว่าถามจะรอทีว่าเขาเชื่อว่าพระเจ้ามีแน่นอนพระเจ้าต้องยิ่งใหญ่มากเป็นคนสร้างโลกช่างจักรวาลนะแต่ทำไมพระองค์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มนุษย์เราเนี่ยถ้าใช้ภาษาอยาอยาว่ากระจอกมากๆเลยไปไปต้องพระเจ้าต้องให้มนุษย์กระจอกกระจอกเราไปไปปกป้องพระองค์แล้วเราจะพึ่งพระองค์ได้อย่างไร เห็นไหมแล้วทําไมพระเจ้าของแต่ละทินิกายนี่ก็ไม่เหมือนกัน e เขาบอกว่าสําหรับเขาพระเจ้าไม่ไม่ใช่มีองค์เดียวแล้วพระเจ้ามีสององค์พระเจ้าที่จริงๆน่นนะน่นนะน่ะใหญ่มากคุมจั ก, กรวาลคุมธรรมชาติทั้งหมดพระเจ้าตอนนั้นน่ยคงต้องมีเมตตากรุณามากเลยเพราะว่าพระองค์ไป็นคนสร้างพระองค์ไม่มีเหตุผลจะม า, มาสร้างลัทธินิกายใ ห, ให้ให้สิ่งที่พระองค์สร้าง ม, ามานุษย์ขึ้นมามาทะเลาะกันหรอกเป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าที่มนุษย์นับถือนะ่ะแล้วก็มาขัดแย้งกันของเธอเขาฉันดีของเธอดีนํามาปกต้องพระเจ้าแบบนี้พีเคว่าน่าจะเป็นพระเจ้าปลอมนะก็บอกเจ้าลัตทีว่าท่านต้องระวังนะเขาไม่ได้บอกว่าเจ้ารัตทีนี่หลอกลวงนะท่านอาจจะโทรเบอร์ผิดก็ได้ท่านโทเบอร์พระเจ้าผิดนะระวังนะบางทีไอ้เบอร์นั้นเพราะว่าวันนั้นเป็นอย่างนี้ ผู้หญิงคนนี้อยู่บ้านนนะามีคนโทรมาหาผู้หญิงคนนี้นะ่ผู้หญิงบอกรองนัมเบอร์คือคือว่าคุณโทรเบอร์ผิดวางปุ๊บมันก็โทรมาอีกก็บอกอีกมันก็โทรมาอี ก, ก, รอกครั้งที่สามผู้หญิงคนนี้เขาก็ลำคาญใช่ไหมคือว่าผู้คนโคนั้นเขาเขาคิดว่าลงพยาบาลไงญาติพี่น้องเขาไม่สบายเขาโทรถามว่าคนไข้เป็นยังไงอ่ะนะเขาบอกโทรเบอร์ผิดเขายังโทรมาเรื่อยอ่ะนะ ผู้หญิงคนนี้บอกว่าเพิ่งตายเมื่อกี้เนี่ยคุณรีบมาโรงพยาบาล น, นะไอพีเมันก็นั่งเอ๊ะมนุษย์เราทํำไมต้องโกหกมันก็เลยมีไอเดียไงโอ้แสดงว่าไอเจ้ารัที่เนี่ยมันโทรเบอร์ผิดมันก็เลยถูกโกหกไงมันก็เลยบอกเจ้ารัที่เนี่ยเธอน่าจะโทรเบอร์ผิดนะ <c oughs> น่าจะไม่เจอเบอร์พระเจ้าจริงๆนะอันนี้เรื่องตรงนี้น่ยถ้าไม่ถึงเวลาสิ่งนี้เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ได้นะ ถ้าเอาคนธรรมดาเนี่ยไปแสดงน่ถูกฆ่าทิ้งเลนะอันนี้คนสร้างมันฉลาดมากมันเอามนุษย์ต่างดาวมาแสดงไงพวกเราต้องเรียนรู้นะอย่าไปหลงอะไรที่ว่ากิเลสบางทีเราไม่อยากหลงนะเพราะความเคยชินเราเนี่ยแล้วก็คุ้นเคยว่าเราต้องเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแบบอื่นที่ไม่เหมือนเราเนี่ยไปว่าเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวนะหารูไม่มนุษย์ต่างดาวเนี่ยพูดธรรมะนะ ทุกคำที่ก็พูดเนี่ยนั่นคือธรรมะธรรมะคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจรงิงไม่ใช่พูดภาษาบาลีพูดภาษาวิชาการแบบทุกวันนี้นะแปลไทยเป็นไทยทะลอกกันทุกวันนี้พราครูก็เคยโดนนะหลายปีก่อนเนี่ยเขาคิดสนุกยังไงก็ไปเชิญพวกครูไปบรรยายธรรมนะผู้บริหารกระทรวงศึกษามาจัดอบรมที่ขงเจียมใกล้ๆเนี่ยมาเช่ารีสอร์ทหนึ่งอบรมเจ้าหน้าที่ทั้งจังหวัด นะผู้บริหารทั้งจังหวัดมาอยู่ที่นี่สองวันแล้วให้พ่อครูไปพูด6กโมงเช้าถึงแปดมงเช้าทั้งสวันพ่อครูก็แต่งตัวปกติตังวันสีดำที่พ่อครูลากลากรองเท้าแตะก็ไปพูดไงแต่ว่าพ่อครูคิดว่ามันคงพูดในห้องแอร์นแน่พ่อครูก็เอาเสื้อคลุมไปตัวหนึ่งเห็นไหมพอไปถึงแล้วพ่อครูไปถึงก่อนเวลาแหะพ่อครูเป็นคนมีวิยนย นะก็ไปนั่งอยู่บนบัลังแนละ้วก็รอจะพูดนะหกโมงปุ๊บก็ยังไม่ยอมพูดเสียงดังมากนะแตงสูเป็นผู้ดีนะสากลนะพอเลยไปห้านาทีพรอกูก็เลยบอกว่าอารุณสวัสดิ์ท่านพูดเจริญเออมันค่อยหยุดหน่อยหนึ่งพูดเจริญหยุดละพอบรรยายไปถึงวันที่สองพรอคูเห็นจิตตั้งแต่วันแรกลอา้าวเหลือชั่วโมงสุดท้ายให้ถามไง บางคนก็กล้ายกมือถามสดๆบางคนก็เขียนจดหมายมาถามนะคำถามหนึ่งว่าวิทยากรคิดอย่างไรกับเครื่องแต่งกายบอกไม่ได้คิดถ้าคิดก็ไม่มามันมาเพราะมาทำเพราะทำการที่เราเข้าไปเมืองเมืองตาหล่วๆตาตามนั้นไม่ได้หมายความว่าเมืองนั้นเป็นโจรทั้งหมดเราต้องไปเป็นโจรเหมือนเขาแต่เราอย่าไปด่าโจร น, นะเดี๋ยวมันฆ่าเราทิ้งนะ แล้วก็ล้างถ้วยล้างจานให้โจรก็ได้แล้วก็อยู่กับมันได้คําว่ากาลเทสะพ่อครูบอกพร่อครูรู้การเวลาที่จะมาพูดมันคงเป็นห้องแอร์นะคงเย็นพก่กคกูเอาเสื้อมาคลุมไปด้วยพราะครูมีสติรู้ว่าตัวเองเป็นกเกษตรกรไทยควรจะแต่งชุดแบบไหนที่มันเหมาะกับเราใช่ไหมดีๆไม่ถามนะพวกคุูเป็นคนไทยหรือเปล่าไปแต่งชุดฝรั่งทําไมยังไม่ได้ถามนะพ่อครูมีมารยาทไง เข้าใจวะแต่คนวางตัวเองมีมารยาทจะมาถามพ่อกูทำไมไม่ทำเหมือนเขาพ่อครูเลยกลายเป็นมนุษย์ฝั่งดาวในสายตาเขาเห็นไหมเราสิ่งที่เราทำคิดว่ามันมันเป็นเรื่องปกติอากาศเมืองไทยอบอุ่นสบายสบายไปใส่สูตรให้มันร้อนแล้วก็เปิดแอร์ให้มันเย็นแล้วก็ไปหาเงินมาจ่ายค่าไฟมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่า พราครูไม่ได้ต่อว่าเขานะเพราะพ่อครูเนี่ยมีมารยาทไม่รู้ใครไม่มีมารยาทก็ไม่รู้นะพอเขาประเมินผลเขาบอกว่าที่พ่อครูบรรยายสองวันนี้ชอบชอบดีดีแต่ข้าพเจ้ายังมีกิเลสอยู่โอเคก็ดีแล้วไงอย่าง น, น้อยสองวันนี้พ่อครูไม่เสียเวลาเปล่าทําให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองมีกิเลสรักชอบอย่างไรก็อุ้มมันต่อไป มันไม่ต่างกันว่าฉันมีกิเลสนี่ไม่ได้ต่างกับว่าอุ้ยฉันเป็นเอศนะไม่ต่างกันเลยนะเอศก็มาจากคุณมีกิเลสนั่นแหละตอนนี้กลายเป็นพูดหน้าตาเฉยนี่แอนจอยกับกิเลสมากมันบอกอยากเป็นสากลก็ไปแต่งชุดฝรั่งจนลืมว่าตัวเองเป็นไทยนะพอพูดเรื่องนี้มันปิ้งก็ไปถึงแก้วชิปละเห็นไหมเห็นแก้วชิปเดินขาเป๋ไหมเพราะอะไรรู้ไหม นะไปแขวนชื่อเป็นโรงเรียนนะเออเข้ามาตรวจว่าเออต้องไปเรียนเพิ่มอะไรนี่นะเพราะมันไม่ครบองนะไอ้แก้วก็ทอสังขาร <c oughs> ไปเรียนเพราะถูกบังคับให้ไปเออเรียนก็เรียนเนี่ยครูเขาไปเรียนอะไรดูไหมไปเต้นลเต้นเต้นลีลาดกันไงเต้นลีลาดสองชั่วโมงนะขามันก็ไม่มีแรงก็ไปเดินก็ขาแพงไงวันนียกรรม อ้างว่าพวกครูวิชาอะไรวิชาสังคมครูบอกลำวงไม่ได้เหรอมันไม่สากลนไงต้องตีลาดไงไม่เคยสอนเด็กไทยมีชาตินิยมเลยเห็นไหมเออแต่ฝรั่งไงแล้วมันจะยังไงล่ะนะาราชพักเคยเชิญพวกคูบ่อยๆนะสมัยก่อน ไปบรรยายปุ๊บเขาก็มีซองไงให้วิทยากรเซ็นทุกครั้งพวว่อครูเออทำบุญกับเขาคืนแต่ครั้งสุดท้ายพรอครูก็บรรยายเป็นปกติพรอครูนะไม่ได้ว่าใครนะพราครูยกตัว อ, อย่างไงด็อร์สองคนเนี่ยนะจบปริญญาเอกพร้อมกันทางด้านภาษาศาสตร์ออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องทาซารกับลิงมันคุยกันรู้เรื่องไม่เคยทะเลาะ ก, กันเลยนะ ชาวนาที่นี่สอนควายไถายนาได้นะตั้งแต่วันนั้นนะ่ะเขาไม่เคยเชิญพวกกูไปอีกเลยแล้วพวกคูก็ไม่ไปนะเพราะตอนนั้นหลังจากงานของโจนของเจียมแล้วเนี่ยพ่อคูไม่ออกงานแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ศรัทธาเราเ้าถูกเกณฑ์มาฟังไงใช่ไหยล่ะแต่ไม่แน่ทุกวันนี้เห็นแก้วทิพขาเปนะไม่ใช่แก้แค้นนะอย่าเผ้อเชิญมาอยู่นะ คุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณไปเต้นลีลาทําไมคุณทำไม่ไม่ลาวงบอกแก้วทําไมไม่ลากวนอิ่มให้เขาดูเลยมุนติ้วติ้วดูมันทําได้ไหมแล้วขี้เหอแล้วเมื่อวานนี่มีครูคนหนึ่งมาลาพวกครูนะจะกลับเนี่ยไม่ต้องเอ่ยชื่อนะแกก็เล่าบอกว่าเพื่อนครูแกบอกว่าถ้าเป็นไปได้นะอยากให้เมืองไทยเป็นเมืองขึ้น เพราะเราจะพูดภาษาอังกฤษเก่งดูสิครูมันคิดอย่างนี้นะอย่าเผอเชิญพ่อครูไปเองนะวิทยาลัยครูเนี่ยเป็นไทยอยู่ดีๆไม่เป็นจะเป็นทาสนะเพียงแค่พูดภาษาอังกฤษเป็นดูสิมันคิดว่ามันพูดภาษาอังกฤษเพราะมันจะรวยไงเพราะครูเคยพูดหลายครั้งแล้วตอนพูดอยู่อเมริกานั่นพ่อครกูก็มีร้านอาหาร ไอ้ตำแหน่งต่ำสุดที่ร้านอาหารเนี่ยคือเทขยะกับล้างจานมันพูดภาษาอังกฤษเก่งมากไม่ใช่พูดภาษาอังกฤษเก่งแล้วก็จะรวยนะมีเมืองไทยเท่านั้นแหละขี้เห่อ ม, มากๆเลยเห็นไหมนายกรัฐมนตรีเข้ามาเมืองไทยเนี่ยเขาไม่พูดภาษาอังกฤษนะเขาไปบ้าเขาพูดภาษาญี่ปุ่นเลยมึงอยากรู้มึงไปแปลประธานดิบดีรัสเซียมาเมืองไทยเขาไม่พูดภาษาอังกฤษไงเขาพูดภาษารัสเซียเขา คุณอยากลุกคุณไปแปลเอาเฮ้ยมันเป็นมหาอำนาจมันกล้าสิไม่นายกคุณเซ็นขมัมาเมืองไทยก็พูดภาษาขมรมึงอยากลุกไปแปลเอานายกพม่าเพิ่งมาปีที่แล้วเนี่ยนะก็นุ่งสลวงมาเลยล่ะมันไม่นุ่งชุดสากล น, นะมันบอกสากลนะไม่เขาก็นุ่งชุดของเขาเขาก็พูดภาษาพม่าไงคนไทยอยากได้มากๆเนี่ยก็ ความเป็นไทยไม่มีเลยเลยเมื่อคูมันเปนเป็นแบบนี้ลูกหลานมันจะไปรักชาติได้ยังไงฟังแล้วมันมันสรลวดใจนะบอกแก้วทิ่ต้องรับกรรมเลยเห็นไมไปเล่นเกมเขาทำไมเห็นไหมเป็นตลีลีลาดไงมันเป็นของฝรั่งไงมันตอนนี้สังคมมันเป็นเกิดอะไรขึ้นไม่ไปเหอะ เห็นไหมเรียนจบภาษาอังกฤษเนี่สูงสุดมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องไงคุยไม่รู้ภาษาไงไม่ใช่เรียนภาษาแล้วเราจะเกิดทักษะเราจะมีปัญญานะมันไม่ใช่เราแค่เป็นผู้รู้เรื่องภาษานั้นแล้วภาษาเนี่ยไม่ใช่ของเราด้วยเราเป็นแค่นักก๊อปปี้มันไม่ได้เกิดให้เราทักษะอะไรเลยนะขี้เห่ไงขี้เห่นะนายกลาวเขามาที่นี่พอ ก, กูก็เห็นเขาก็พูดภาษาลาวเลยอยากรู้ไปแปลเองไง มีบ้านเรานี่แหละอะไรกันนักหนาเนาะความรักชาติความนิยมชาติตัวเองไม่มีเลยไงลัวงมันสวยงามมากมายเลยคุณสังคมครูคุณก็ลัวงสิคุณปเป็นเส้นดีลาชทาไมลีลาชเพราะอะไรไมมันจะได้จับมือกันจั่งหนวดต้องตัวกันไงนะพิธีกรรมของเรารเพลีเราลัวงเนี่ยเราก็ลำไปด้วยกันแต่ไม่ต้องไปแตะต้องตัวกันไง อันนี้มันรวยนะมันรวยไอ้พวกนี้ต้องเชิญพ่ะครูไปพูดอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเป็นสิบกว่าปีแล้วเนาะน ะ, นะเมืองไทยเราเผล่ง่ายนะอยากเยอะเกินไปเห็นไหมที่นี่เราไปช่องเม็กเห็นไหมใกล้ๆนี้นะอยากลองดูก็ได้นะไปพรุ่งนี้ลองดูไหมเขาไม่ได้ให้เหยียบประเทศเขาฟรีนะเขาเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะ ไม่ใช่เขาอยากจนบ้านเราไม่ต้องวีซา่าทั้งแจกทั้งแถมมาอะไรนี่นะบ้ากันไปหมดเราถูกเขาหลอกนะว่าทำให้ต่างชาติเชื่อมั่นเชื่อถือเขาจะได้มาลงทุนบ้านเราแล้วเมืองเราจ ะ, จะเจริญถ้าการลงทุนทำให้ประเทศเราจเจริญจริงๆเนี่ยเขาไม่โง่หรอกเขาก็ลงทุนในประเทศเขาจะเขาทำให้ประเทศเราจเจริญทำไมโดนหลอกอุ้ GDP เห็นไหมมาลงทุนเนี่ย คุณส่งออกปีหนึ่งแค่นั้นแค่นี้เห็นไหมอ่ะส่งออกเป๊บเงินเข้ามาปุ๊บเขาก็ส่งกลับประเทศเขาเนี่ยเราได้อะไรเอาส่งออกไปร0อยหนึ่งสั่งเข้ามาร้อยสิบาทไงเราขาดทุนทุกวันนะแล้วก็มาได้แรงงานถูกๆนะแล้วก็ได้ภาษีทางอ้อมแล้วก็เอามาสร้างสวัสดิการสังคมเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียเราถูกหลอกนะ เพราะครูไม่ปฏิเสธภาษาอังกฤษมันก็เป็นองค์ความรู้หนึ่งแต่ไม่ใช่ทุกคนไปเรียนคนบางคนต้องเรียนแต่ไม่ใช่ทุกๆคนอันนี้หลักสูตรการศึกษาเดี๋ยวนี้บังคับให้ทุกคนเรียนเหมือนกันหมดเนี่ยวันนีพ้พุ่งนี้เปิดเทอมแล้วนะตอนนี้ก็มีคนเอามาฝากอะไรนี่นะก็ผู้ปกครองที่มาในเมืองอะไปห่วงอนาคตลูก เห็น ไ, ไหมมีน้องคนหนึ่งเรียนเกรดสี่นะตีสองก็ไม่นอนนะนะเกรดสี่นะตนะแต่ร่างกายกําลังเดี่ยงเด็กดีๆทําให้เขาเดี่ยงนะพ่อ ก, กูบอกคุณพ่อจะเอาเกรดด้วยจะเอาลูกแม่บอกเอาลูกเอาลูกมาอยู่ที่นี่นะแต่มาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ทุกคนต้องมาเป็นนักบวชอะไรหมดหรอไม่ใช่ น้องขี่ก็ไม่น้องขี่เคยบวชไปแล้วก็ดอนบวชแล้วนะพอบวชแล้วเขาก็เรียนดูแล้วเขาก็ออกมาทําหน้าที่ไม่ใช่ว่าเราเป็นตามอารมณ์เวลานั้นนะคนไหนเหมาะทําอะไรก็ทําไปไม่ใช่ว่าต้องเป็นอย่างนี้ถ้าบวชเป็นบวชล่ะใครจะดูแลสังคมละ่ะพระคูก็บอกพ่อเขานะพระครูบอกอาจารย์อ้อยหลังจากแข็งแรงเนี่ยเรามีเด็กอยู่ประจํามาจนสิบคนนี่ยช่วยทําให้พระครูหน่อยหนึ่ง ถามเขาว่าเขาจริงๆแล้วเขาเลือกได้เขาชอบอาชีพอะไรไอ้คนเรียนเก่งเกศีเนี่พ่อแม่อยากให้เป็นหมอนะพะกูเคยขอรองน้องคนนี้ตั้งแต่เที่ยวก่อนมาลูกพราะกูขอเกศสามก็พอได้ไม่ให้มันแข็งแรงแกบอกแกทําไม่ได้แกเป็นคนรับผิดชอบมากนอกจากหนีจากตรงนั้นเลยเขาหนีมาแล้วไงนะแต่เราไม่ทิ้งนะ เราจะให้เขาดังได้สมหวังเลยลวว่าเขาก็ไปได้แต่อยู่ในสุขภาพร่างกายจิตใจดีนะก็เดี๋ยวให้จานอ้อยเช็กว่าในอุบลเรานี่มีวิชาอะไรบ้างนะมีหมอด้วยนะโอเคต้องเตรียมอะไรบ้างให้น้องเขาเนี่ยนอกจากเราสอนศีลสมาธิปัญญาแล้วเนี่ยวิชาที่เขาต้องไปสอบตรงนั้นเรียนแค่นั้นเราต้องชาญฉลาดอย่าไปทำอะไรงงๆเหมืนอนกันแก้วทิ่เหมือนกันต่อไปบอกให้ติ้นรีลาด ลามกวนอิ่มให้มันดูเลยดูว่ามันทําได้ไหมเราเข้าเมืองตาริวหลวตาตาไม่ใช่มันเป็นโจรทั้งหมดต้องไปเป็นโจรเหมือนมันก็บอกแล้วไงเป็นคนไทยอยู่ดีๆไม่ชอบจะเป็นทาสแม้กระทั่งบอกว่าอยากให้เมืองไทยเป็นเมืองขึ้นนะจะได้พูดภาษาอังกฤษเก่งๆเขาเห็นมาเลเซียสิงคโปร์เป็นคืนเมืองขึ้นเขาไงเนี่ยคิดถึงขนาดนั้นเหรอตอนพวกคุยอเมริกามีคนฟิลิปปินส์กลุ่มหนึ่งก็พูดนี้เหมือนกันว่า อยากยกฟิลิปปินส์ให้เป็นลัดหนึ่งของอเมริกานะจะได้ใช้เงินดอลล่าร์เลยจะได้ดีเลยนะมันคิดจะเรื่องเศรษฐกิจนะเขาไม่ได้งเรื่องวัฒนธรรมเรื่องประเพณีอะไรความการเกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันไงเราเป็นคนไทยกินข้าวมาตลอดก็เถอไปกินขนมปังเขาได้แต่ไม่ใช่เรากินได้เป็นบางมื้อกินบ่อยๆนี่มันอร่อยไหมเห็นไมอยากจนลืม พื้นเพยตัวเองหรือวัฒนธรรมตัวเองตอนนี้เมืองไทยถูกขุดลากถอนครุ่มไปหมดแล้วไงขนาดครูยังทำแบบนี้ไงเห็นไหมเพราะครูเห็นนะเพราะครูบอกว่าไม่ใช่เพราะคูพราะคูไม่เก่งเลยตอนนี้เพราะคูแพ้แล้วครูโรงเรียนเราเองเนี่ยก็ไปกับเขาหมดล่ะนะมองไปที่ไหนไม่มีใครมีรถสักคันหนึ่งมีรถทุกคันทุกคนอ่ะนะ พราะนั้นไม่มีเพราะเพราะครูอบรมมาดีๆไงไม่มันเรียกไปสัมมนาเนี่ยสัมมนาแบบแก้วทิพย์ไปนะก็ไปสัมมนาเรื่องวัตถุนิยมไงต้องอย่างนี้ต้องนี้ถึงเจริญนะเขาอยู่ดีๆต้องไปสัมมนาให้มันโง่แล้วทุกคนสร้างหนี้หมดพราะครูแพ้แล้วนะ บอกเอาไม่อยู่แล้วแต่ว่าคำว่าแพ้แล้วเอาไม่อยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำน ะ, ะยิ่งต้องระวังมากขึ้นเด็กไทยเนี่ยยุวชนเยาวชนเขาคืออนาคตของชาติเขามาอยู่ที่นี่นี่เป็นหน้าที่ของพวกเราต้องช่วยดูแลอย่างน้นอยว่าสุขภาพร่างกายจิตใจอารมณ์เขาต้องดีก่อนนะส่วนไวพ้พิปฏิพาณหรือว่าอาชีพอะไรก็ได้นักบวช สมมติว่าเราไปกรอกใบอลไรเขบอกอาชีพนักบวชเขาเอานักบวชเป็นอาชีพเลยนะทุนนิยมมันต้องตั้งชื่อเหมือนหมอเหมือนกันนะถ้าไม่มีชื่อโรคเขารักษาไม่เป็นนะถ้าเอาพ่อครูไปเข้าโรงพยาบาลตอนนี้อย่าง น, น้อยๆโรคอันดับแรกก็บอกโรคคนแก่คนชราโรคชราแล้วนะมันเป็นแค่คนแก่เฉยๆมันจับให้เป็นโรคเลยถ้าไม่เป็นโรคมันก็ตีราคาไม่เป็นรักษาไม่เป็นเนี่ยนะทุนนิยมเขาสอนให้เป็นแบบนี้หมด อาชีพอะไรใช่ไหมเพราะคูมาจากอเมริกาใหม่ๆไม่รู้จะเขียนอาชีพอะไรน้องขีเนี่ยตอนนั้นไปฝากโรงเรียนอนุบาลในเมืองนะครูก็ถามว่าถามเพื่อนเขาลูกพ่อเป็นพ่อแม่อาชีพอะไรเป็นพ่อค้าคนนี้เป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นหมอเป็นอะไรไปถามน้องคีเขาบอกว่าพ่อนั่งหลับตามันก็เห็นแค่นั้นไงอะ นล้เขียนอาชีพอะไรล่ะสุดท้ายเพราะกลัวพ่อเป็นเกษตรก ร, ร, กรลูกเห็นหมมันบังคับให้เราต้องมีนะต้องมีตำแหน่งนะเราไม่อยากเป็นอะไรเธอต้องเป็นไงเธอเบาไม่ได้เธอต้องหนักไงทุกคนต้องต้องโง่เหมือนกันนะเห็นหต้องโง่ทั่วนหน้าทำจนทุกข์ไปหมดก็ตั้ง ตั้งคณะสาธารณาสุขพัฒนาไปพัฒนามาเป็นสาธารณา ท, ทุกทุกทวหน้าเลยนะมนุษย์เราทำลายตัวเองตลอดทำลายร่างกายให้มันทุดโทรมแล้วค่อยมารักษานะอันนี้ต้องไปเจอมนุษย์ต่างดาวชื่อพีเคให้มันสอนให้นะ โอเคสรุปว่าอย่างนี้พอเขากลับไปบ้านเขาเขาได้รีโมทแล้วเนี่ยอีกปีหนึ่งเขาก็กลับมาเขามีหน้าที่ส่งเขาเรียกน้องหมดอะพี่น้องหมดนะส่งรุ่นน้องเขาออกมานะเขามีหน้าที่ลงมาทําหน้าที่เขาหลายปีก่อนมนุษย์ต่างดาวก็มาหาเรานะแล้วเขาบอกน้องเขาว่าต้องระวังศี่อย่าง นะพราะครูให้แก้วจดมาเมื่อกี้นี่นะเพราะพระครูอันนั้นดูไม่ทันนะข้อที่หนึ่งเขาบอกการเดินแก้ผ้าที่โลกเป็นสิ่งที่ผิดมหันนะการจูบการหอนแก้วคนที่นี่ทำมันอย่างลับๆและระมัดระวังแต่กับกันการถ่ายอุจจาระปัสสวะ และชกต่อยกันคนที่นี่กับทําอย่างจงแจ้งและเสียงดังอันนี้เป็นวัฒนธรรมอินเดียนะถ้าใครเไปกนอินเดียนะเพราะครูไปริมรถมาแล้วนะห้องน้ําเขาใหญ่ที่สุดในโลกรถจอดที่ไหนคูเอาตรงนั้นเลยแล้วมหาตะมาคานทีนี่ชนะผู้บุกรุกอังกฤษได้เพราะอย่างนี้นะเขาบอกคนอินเดียเนี่ยไปถึงทีไหนขี้ตรานั้นเลยขี้มันทั่วบ้านทั่วเมืองคนอังกฤษมันกลัวมากมันสะอาดไงมันก็เลยถอยนะ ก็ข้อที่สองนะเขาบอกสิ่งที่สับสนที่สุดของที่นี่คือภาษาถ้าคุณได้ยินว่าฉันชอบไก่ฉันชอบปลานั่นไม่ได้หมายความว่าเขารักสัตว์พวกนั้นนะแต่หมายความว่าเขาชอบกินไก่และกินปลาเป็นอาหาร <c oughs> เขาคิดอะไรเขาพูดอะไรเขาหมายความว่าอะไรยังไงเป็นสิ่งที่เราต้อง ค้นคว้าเพิ่มเติมเขาเขาสั่งน้องเขาให้ระวังนะแล้วข้อที่สหากเสื้อผ้าหาเสื้อผ้าจากรถเต้นได้รถกำลังเต้นอยู่นั่ น, นแถวนั้นเสื้อผ้าเยอะเลยเนาะและเก็บรีโมทของคุณไว้ในกางเกงไหนไม่มีใครจะขโมยมันถ้าคุณเก็บไว้ในลึกๆข้างไหน แขวนอยู่คอปุ๊บมันกระชากไปเลยนะมันมีประสบการณ์นะแล้วก็ข้อที่สี่ถ้าคุณพบใครสักคนที่บอกว่าเขาสามารถติดต่อกับพระเจ้าได้ไม่ต้องค้นคว้ามันแต่เตรียมพร้อมแล้ววิ่งด้วยความเร็วสูงสุด <c oughs> เดี๋ยวเขาจะจับคุณไปขังนะอย่าไปยุ่งกับเขานะอันนี้เขาสั่งน้องเขาให้ระวังสี่ข้อ ถ้าเขาบอกแล้ ว, ว่าเขาชอบไก่ชอบปลานี่ยอย่าไปเข้าใจผิดว่าเขารักมันนะเขาชอบกินมันซึ่งมนุษย์ต่างดาวเขาไม่ทําอย่างนั้นนะเห็นไหมเขาใช้ภาษาธรรมทั้งนั้นแหละแต่ภาษาเราภาษาคนภาษาคนคนเนี่ยคนคนยิ่งคนยิ่งยุ่งนะคนนะภาษาคนพูดคำหนึ่งตีความได้หลายอย่างเลยหลายแง่หลายมุมเห็นไหมแล้วตอนนี้เราศึกษาพุทธธรรม จากบาลีแปลเป็นไทยมนุษย์แปลถูกแปลผิดและจากไทยก็แปลเป็นไทยอีกทะเลาะบ่อแว่งกันอยู่อย่างนี้มนุษย์ต่างดาวเขาบอกว่าสิ่งที่สับสนที่สุดในโลกมนุษย์คือภาษานะผู้ริจ้าทึกบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อเขาเล่ากั น, ก, น, ก, นกันมานะเล่าด้วยภาษาไงอย่าพึ่งเชื่อคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์ท่านเปล่งด้วยภาษาอย่าพึ่งเชื่อเพราะภาษามันหยาบเกินไปที่จะพูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกัน เห็นไหมอย่าเพิ่งเชื่อตำราตำราในรูกของภาษาเห็นไหมมนุษย์ต่างดาวเขาเขาคงไม่เคยปฏิบัติธรรมเนาะทำไมเขาพูดภาษาธรรมรู้เรื่องอะก็เขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเขามีศินห้าอยู่แล้วไม่ต้องถือสินนะเหมือนทาสานมีศินห้าอยู่แล้วเห็นไหมแต่นี้ศินห้าพวกเราหายไปไหนหมดก็ถูกกบเกินด้วยความรู้ผิดความรู้ซึ่งแฝงด้วยความโลภโกรธหลงในความอยากไงมันก็เลยไปทําผิดศิน ถ้าเราไม่มีความอยากไม่ต้องถือสินเราไม่ทําชั่วแน่นอนเห็นไหมต้นเหตุคือเรามีความรู้ผิดความรู้ผิดนั้นแฝงด้วยความอยากความอยากอยากทําดีนะอยากอะไรมันก็เป็นอา m ิ t h หมดอ่ะมาแต่ถ้าเราดับต้นเหตุคือความอยากได้เนี่ยเราก็ไม่มีเหตุผลต้องไปทําผิดสินนะไม่ใช่เราเราเราไม่ทําผิดสินเพราะเรากลัวผิดศินนะไม่ใช่ เราไม่มีเหตุต้องไปทงความชั่วทาสานไม่ต้องโกหกทาสานไม่มีความอยากดังภาสานไม่ต้องการได้อะไรทั้งนั้นมันต้องไปต้องโกหกเหรอมันไม่ต้องโกหกเห็นไหมมันมีศีลอยู่แล้วมนุษย์ต่างดาวที่เขาสมมุติตรงนี้เขามีศีลอยู่แล้วเพราะเขาไม่มีความอยากนะตอนนี้ศีลเรามันไม่ไม่หายไปไหนมันถูกกบเกินด้วยอวิชชาคือความรู้ผิด แม้กระทั่งฝึกจิตเรียนรู้มากๆมันได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องภาษาก็าเอาภาษามาแสดงเป็นภาษาวิชาการภาษ า, าศาสนาอีกยิ่งพูดยิ่งเลอะเลือนเพราะภาษาตัวมันเองก็หยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นนะสิ่งที่ผูช้ชอบตัดสูนั้นคือความจริงความจริงนั้นพูดด้วยภาษาไม่ได้ แต่สิ่งพระองค์ทรงสอนเป่องออกมาเนี่ยกลายเป็นภาษาแล้วจะเป็นสัญกิจหรืออินเดียโบราณหรือแปลเป็นไทยก็ช่างเป็นภาษาที่มนุษย์สร้างขึ้นมันอยากเกินไปแล้วว่าพูดปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันเห็นไหมวันนี้ก็เพิ่งกับอาจารย์อ้อยคุยกันว่าตอนนี้วิทยาศาสตร์ฟิสิกส์นี่เจอทางตันก็มีคนไปนค้นพบก้าวไปอีกเขาเรียกว่าฟิสิกส์ควอนตัมนะ คนต้องเขาไปเจอเหมือนผู้เจ้าเจอว่าเฮ้ยมันไม่เที่ยงแต่วิาสาดบอกว่าต้องเที่ยงแท้แน่นอนอหนึ่งบอกหนึ่งต้องเป็นสองอะไรพวกนี้พวกนี้นะเป็นทฤษฎีแบบนี้นะเป็นรูปธรรมนะแต่ตอนนี้เขาเห็นแล้วว่าไอ้ความคิดแบบนี้มันแก้ปัญหาไม่ได้นะเขาก็ค้นคว้าไปเขาก็เลยเห็นว่ามีบางอย่างเนี่ยนะซึ่งมันไม่ เขาไปเจอความไม่เที่ยงแท้แน่นอนยกตัว อ, อย่างนะควันต้มนี้เขาก็าพยายามจะกำลังทำอยู่เขากาลังวิจัยอะไรขันห้าขันห้ามันมีรูปนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณห้าอย่างนี้มีรูปธรรมแค่รูปอย่างเดียวนอกนนั้นเป็นนามะธรรมาหมดวันนี้ก็นั่งอยู่ในลงห า, หารเพราะครูเอากล่องนมมาตั้งไว้ อาจารย์อ้อยเห็นแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงถ้าเราชอบกล่องนมเรารู้สึกดีเราชอบแต่คนนี้เขาเกลียดมากเขาก็เห็นรูปเหมือนกันแต่เขาเกิดเวทนาอย่างแบบหนึง่งมันไม่เที่ยงเห็นไหมมันไม่เที่ยงรูปเหมือนกันแต่คนหนึ่งชอบคนหนึ่งไม่ชอบผู้เจ้าสอนให้รู้เรื่องรูปนามสอนให้รู้ทั้งรูปทั้งนาม โดยเอาฐานของเราเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมทั้งหมดเนี่ยมาเรียนรู้เรื่องรูปนามเรื่องขันห้าเรื่องปฏิสมุติบาทไม่ใช่เอารูปประทำอย่างเดียวนะพระองค์ยิ่งใหญ่พระครูถึงใช้คำว่ายิ่งใหญ่จนใช้คำว่านับถือไม่ได้นับถือมันยากไปบูชาถวายชีวิตยุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่มนุษย์เก่งมาก วิทยาศาสตร์เก่งมากแต่เก่งครึ่งเดียวเป็นยุคที่มนุษย์เราเนี่ยผิดพลาดครั้งใหญ่เอาความเก่งเราไปแค่วิจัยลูกประธรรมแล้วก็ไปสร้างรูปธรรมซึ่งเป็นวัตถุเป็นพลังงานมาทาลายล้างกันเพราะเขาไม่ได้วิจัยเรื่องนามธรรมาเขาถึงไม่รู้ถูกผิดดีชั่วไม่รู้เรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องกฎแห่งกรรมแต่ผู้เจ้าเห็นความจริง ตั้งแต่สองพันกว่าปีรู้รอบหมดว่ามันไม่ใช่เรื่องรูปอย่างเดียวมันมีนามด้วยเราดีใจเราเสียใจเรามีสุขมีทุกข์มันเป็นนามมาทําใครประเศษได้ไหมว่ามันไม่มีแต่วิทยาศาสตร์นี่ไม่เอาไงมันอาจจะตีราคาเป็นเงินไม่ได้เขาถึงไม่เอาไงทุ่มเทงบประมาณอะไรก็ เ, เพื่อผลประโยชน์ไงนะเพราะนามมาทําเนี่ย เขไม่แน่ใจว่าเขาไปศึกษาเขาเสียเวลาเปล่าหรือเปล่าแล้วก็เอาเอ า, เอามาตีค่าเป็นเงินไม่ได้ไงอย่างตอนนี้เราเรียนในทางโลกเรียนแล้วมันมีมันมีระดับวัดปริญญาตีโทเอกใช่ไหมเพื่อให้เงินเดือนเพื่อให้ตำแหน่งหน้าที่ได้เห็นไหมมันวัดผลกันด้วยรูก ป, ประธรรมได้ใช่ไหมแต่สภาวัจิตนี่วัดได้ไหมไม่มีประหลอดวัดเนี่ยเขาก็เลยไม่เอาไงเห็นไหมเขาคิดแต่เรื่องเป้าหมายคือว่าทําแล้วได้อะไรซึ่งมันเป็นผลประโยชน์ แต่ถ้าเขาเอาชีวิตเป็นที่ตั้งวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ตั้งเนี่ยแล้วเอาความสามารถแบบวิทยาศาสตร์เนี่ยมาวิจัยชีวิตเนี่ยเขาจะเข้าถึงนามมาทำแล้วเอาความสามารถตอนนั้นน่ะมาส่งเสริมเนี่ยให้ทุกคนมีโอกาส เ, ออเข้าถึงความจริงอีกด้านหนึ่งคือนามมาทำเราจะแก้ปัญหาชีวิตเราได้นะก็เมื่อกี้แก้แกวพึ่งยื่นเอกสารมาให้3ามสี่ใบน่าจะเป็นอาจารย์อ้อยส่งไปให้ม ที่อเมริกาเนี่ยมีเขาสร้างเมืองใหญ่เมืองหนึ่งเขาเรียกอะไรวันเล่นะเขแกบอกมาพวกคูยังไม่มีเวลามาอ่านให้นะเป็นเมืองเทคโนโลยีคนดังทั้งโลกเนี่ยอยู่ตรงนั้นหมดและคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเจอปัญหาแล้วว่าเขาสําเร็จในทางรู ป, ปรธรรมอยู่แต่ทุกคนเครียดหมดและมีบริษัทใหญ่ๆ ห, หลายบริษัทแล้วเนี่ยเขาเอาโปรแกรมสมาธิเข้าไปแล้วนะ เขาเห็นแล้วว่าแค่เทคโนโลยีไอทีเหล่านี้เนี่ยแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้ทั้งหมดตอนนี้เขาเริ่มเอาเรื่องจิตวิญญาณเรื่องนั่งสมาธิเข้าไปแล้วในนั้นเขาก็เอ่ยถึงสติจอบด้วยก่อนที่แก่ๆเสียชีวิตนะสติจอบตั้งแต่เด็กๆแล้วศึกษาปฏิบัติแนวเซนนะเขาถึงมีปัญญาเขาไม่เรียนปรินเขาไม่เรียนปริญญาเขาไม่ได้จมปริญญาอะไรเลย แต่เขาอาปัญญาข้างในออกมาเนี่ยเขาถึงค้นพบยิ่งใหญ่นะตอนนี้เนี่ยเมืองที่เจริญที่สุดในโลกตอนนี้ก็เอาเรื่องจิตวิญญาณเอาเรื่องสมาธิเข้าไปแล้วนะเขาเริ่มพิสูจน์แล้วว่าเฮ้ยมันช่วยเขาได้นะทำให้มีสติสงบเย็นแล้วเขาก็เรียกว่าเขาใช้ภาษาอังกฤ ษ, า ษ, า ษ, าษาเรียกว่าอะไร Beginning Mind น, น, นะคือจิตจิตแรกจิตเดิม นะเขาเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มพูดเรื่องนี้แล้วนะนะซึ่งท่านเอาในแง่เทคนิคแล้วเขาเรียกว่าอะไรล่ะการที่เข้าไปข้างในจิตนะเข้าไปในอินไซต์ตรงนั้นนะเหมือนเราเข้าไปในเวนะ็บไซต์เนี่ยเขาก็ใช้ภาษาเหล่านี้แล้วนะทีนี้พ่อคูจะบอกนะไอ้เครื่องมือที่เข้าไปในจิตเร็วที่สุดคือเรากำลังทาอยู่สิ่งนี้ จะช่วยเหลือมนุษยชาติได้แต่ทุกคนต้องทำให้ตัวเองแตกฉานก่อนตอนนี้ปัญหามนุษย์ทั่วโลกเจอปัญหาเพราะความคิดแนววิทยาศาสตร์ซึ่งมองในด้านเดียวนะต้องต้องแก้ด้วยคำสอนของพุทธเจ้าแต่ไม่ใช่ไปนั่งสอนท่องจำเหมือนเราเรียนพุทธศาสนาที่ผ่านมานะละ่ล่ะมันไม่เห็นอารมณ์นะมาดูภาพพยมพุทธเจ้าดีกว่านะเห็นทั้งอารมณ์เห็นทั้งอะไรทั้งหมดเลยนะ แล้วก็ทราบซึ้งไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยนะเพราะคุณเน้นนะภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยลอยเอาเอาเอาคนลงทุนคนเก่าเอาผู้กำกับคนเก่าอานักสแสดงคนเก่าก็ช่างอะไรคนเก่าเนี่ยแล้วไปสร้างภาพยนตร์เรื่องอื่นที่ไม่ใช่ชื่อว่าพระุทธเจ้าก็ทําไม่ได้แบบนี้นี่แหละเอาความสามารถเหมือนเก่าอะไรเหมือนเก่าแล้วไปแสดง อ, อย่างอื่นนะไม่ได้ตั้งชื่อพพุทธเจ้าเนี่ยก็ไม่ได้แบบนี้ พรกกูจะบอกผู้ริเจ้ายัางอยู่นะแล้วก็พระองค์ไม่ได้ทิ้งเรานะพวกกูเห็นปุ๊บพวกกูเรามีเครื่องทุนแรงเครื่องช่วยแล้วแล้วเขาเก่งมากเขาใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ก็คือภาพประยนตร์ไงออกตู้ปทีเดียวไปทั่วโลกเลยไงเราจะเอาสองขาเราเดินอะไรเนี่ยถึงจะเหาะเหินอนากาศไปสอนอะไรได้ยังไงก็ทําไม่ได้เท่าไหร่เห็นไหมอันนี้เป็นที่ น่าชื่นชมนะก็วันนี้พูดไม่มีสาระอะไรเนาะพูดไปเรื่อยๆเยนาะให้มันเอาตัวรอดเฉยๆเนาะ <c oughs> โอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีลัตนาไตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, ากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทอ